ให้สํารวมจิตใจนะเรามายังสถานที่ตัสรูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือสถานที่อุบัติขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าพระองค์ตัสรูที่นี่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าพระองค์ สรสรู้ความจริงสามารถดับทุกในพระทยของพระองค์ได้การที่เราเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะอาศัยมาอาศัยสถานที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออาศัยอานุภาพ ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อานุภาพของพระธรรมอานุภาพของพระอริยสงฆ์เมื่อเรามายัางสถานที่เป็นสถานที่อุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจของเราก็เหมือนกับได้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าเราเนี่ย หวังพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการมาของเราเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นการประกาศให้รู้ว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางจิตใจจริงๆเหนื่อยยากลําบากเราก็อดทนเพื่อที่จะเดินทางมา ยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นอย่างแท้จริงเหมือนกับว่าประกาศให้แน่ชัดภายในจิตใจของเราอะ่ะเรานี่แหละเป็นผู้หนึ่งซึ่งหวังพึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่งั้นเราจะไม่เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ แล้วผู้ที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งรู้ตามบรรลุตามคำสอนของพระองค์ก็คือพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราก็จะเป็นผู้หนึ่งละ่ะที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ตัวเราเองนี่ละต่อไป จะเป็นอริยสงฆ์องค์หนึ่งอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามภายในจิตใจของเราเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใจของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วความทุกข์มันจะครอบงาจิตใจของเรามาก ใจของเราเนี่ยแค่ตาของเราเนี่ยไปเห็นอะไรสักหน่อยหนึ่งใจของเรามันก็เริ่มซักสายแล้วใจของเราเนี่ยก็เริ่มดิ้นรนกัดแกว่งแล้วมันพร้อมที่จะสร้างทุกข์ให้กับเราแค่ได้ยินเสียงอะไรสักหน่อยหนึ่งได้ยินเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาใจของเราเนี่ยมันก็เสมือนว่ามันพร้อม ที่จะเป็นทุกข์แล้วหลงเข้าไปยินดี ก, กับมันยินร้ายกับมันหลงเข้าไปคุนเคืองกับมันหลงเข้าไปพอใจปลื้มใจไปกับมันสุดท้ายใจของเราเนี่ยไม่มีวันที่จะเป็นอิสระเลยเหมือนกับว่าเป็นทาตของอารมณ์อยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ดึงไปทางโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้ดึงไปอีกทางนี้ใจของเรามันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราขาดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พื้ ง, ท, งทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับ ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรเลยถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยมันเข้ามาดูความจริงมารู้ความจริงมายอมรับความจริงเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันผ่านมาผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วแล้วมันต้องผ่านไปมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับไป แต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เห็นจริงตามนั้นเพราะอะไรผ่านเข้ามาใจของเรามันก็เลยไปยึดไปเกาะไปเกีเก่ยวไปพัวพันเป็นตัวเราเป็นตัวเขาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในจิตใจของเรามันก็เลยเป็นทุกข์ไปหลงรักใจของเราก็เอียงไปอีกทางหนึ่งมันก็คุณคิดไปในทางที่จะเอา อยากได้อยากมีขึ้นมาอยากเกี่ยวข้องอยากครัวพันนวเนียเข้าไปในจิตใจของเรามันก็ท่วมทับจิตใจของเราอีกใจของเราก็เป็นทุกข์เนี่ยมันซ้ำแล้วซ้าอีกเหมือนกับว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องความทุกข์นี่แหละที่มันเข้ามาบีบคั้นใจเราชอบใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่ง ไม่ชอบใจก็เป็นทุกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายังสถานที่แห่งนี้ขอให้เราได้อาศัยสถานที่เป็นสถานที่อันอุบัติขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระองค์ตรัสรู้ที่นี่พระไทยของพระองค์เข้าถึงความจริงหมดจดที่นี่เราต้องอาศัย สถานที่แห่งนี้เตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราจะต้องพยายามที่จะหาทางดับทุกขภายในจิตใจของเราให้ได้มันทุกขก็ยอมรับว่ามันทุกเพราะว่ากําลังของการปฏิบัติของเรายังไม่เพียงพอการปฏิบัติของเรายังเข้าไม่ถึงยังไม่ลึกซึ้งพอแต่ว่าความทุกขนี่แหละที่มันมาสอนเรา บางทีมันทุกข์พอเราได้ได้รู้จักมันบ้างว่าเออมันทุกข์ไปเนี่ยมันทรมานนะมันบีบคั้นจิตใจเรานะพอความทุกข์นี้ดับไปผ่านไปเนี่ยเราก็สุขขึ้นมาเราก็สบายขึ้นมาเราก็เห็นความจริงว่าอา้าวความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมันทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็ดับไปได้พอความทุกข์ดับไปได้เนี่ย จิตใจของเราเนี่ยก็ได้รู้ความจริงขึ้นมาเหมือนมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาในจิตใจของเราถ้าไม่ทุกเลยเราจะเอาอะไรละ่ะที่จะมาสอนจิตใจของเรามาเตือนจิตใจของเราให้เข้าหาธรรมที่ว่าไม่ทุกก็คือยังไม่รู้จักทุกยังหลงว่าความทุกเป็นความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อเรามายัางสถานที่แห่งนี้อันดับแรกเลยเป็นการยืนยันรับรองกับตัวเราเองว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งที่หวังพึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่งั้นเราไม่มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็คือผู้ที่หวังพึ่งพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง และเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จนค่อยๆรู้ความจริงมากขึ้นจงกระทั่งหวังว่าเราจะเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามจนพ้นจากทุกในวัฏสงสารให้ได้นี่คือหวังพึ่งพพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อีกประการหนึง่งเราก็พร้อม ที่จะฟังพระสัท ธ, ธ ร, รมคำสอนของพระองค์คำว่าพระสัท ธ, ธ ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคำสอนที่จะทำให้ความทุกข์มันน้อยลงไปจากใจเรามันจางคลายไปจากจิตใจของเราเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ชำระใจเราหมายความว่าเหมือนกับว่าเราทำใจของเราให้สุดทำใจของเราให้สบายสบาย เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดสรู้ทรแล้วตัดสรู้ความจริงแล้วพระไทยของพระองค์ไม่มีทุกข์ก็เลยมีความสุขบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเราก็พากันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มีมาในอดีตเพราะตอนนี้เรามายัางสถานที่ที่เป็นสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้า เราอยู่ประเทศไทยข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรื่องเล่าต่างๆวางให้หมดเอาไว้ที่ประเทศไทยไม่เอาเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้ถ้าหากว่ามันมาเราก็รู้ทันเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็จะได้เห็นตามที่ครูเจ้าสอนนั่นแหละว่าเกิดแล้วก็ดับที่สอนเมื่อเกิดแล้วก็ดับก็คือมาเกิดในจิตเราแล้วก็ดับในจิตของเรา เบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ร, รมเนี่ยเล้วก็พระพุทธเจ้าสอนบ่อยๆก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแต่วันนี้จะพูดถึงธรรมะพื้นฐานที่จะทําให้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วทําให้อริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นในจิตใจถ้าหากว่าใครหวังว่า อยากจะบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานแล้วก็ให้ตั้งใจฟังให้ดีในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชน์อยู่พระองค์ตัดไว้ว่าถ้าใครก็ตามมีธรรมะเจ็ดอย่างเนี้ก็สามารถที่จะทำให้อดีมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์สมบูรณ์ได้อย่างแรกก็คือกาลยานมิจตตา หมายความว่ามีกัลยาณมิตรตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นพระองค์ก็เป็นทรงเป็นกัลยาณมิตรอันที่สองศีลละสัมปทาหมายความว่าให้มีความถึงพร้อมด้วยศีลอันที่สามฉันทะสัมปทาให้มีความถึงพร้อมด้วยฉันทะ คือความพอใจอันที่สี่อัตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะประพฤติธปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อันที่ห้ทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ถูกที่ตรงอันที่หก อปมาทะสัมปทาเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เสียเวลากับเรื่องอื่นถึงจะทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติเพียรพยายามอดทนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันที่6โยนิโสมนสิการสัมปทาถึงพร้อมด้วยทำใจให้แยกคลายให้ตรง เข้ามาดูใจของตัวเองให้เห็นใจของตัวเองนี่แหละเจอย่างนี้แหละแล้วก็จะอธิบายขยายความว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้อริยมรตมีองค์แสมบูรณ์ขึ้นในจิตใจหรือว่าธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราหรือเอามาเทียบเคียงดูว่าเรายังขาดข้อไหนบ้าง มันจึงทําให้ธรรมะภายในใจของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องอยู่กรารยามิตรตาความมีการยาณมิตรการยามิตเนี่ยท่านหมายถึงสัตบุรุษผู้ที่รู้จริงมีคุณธรรมในสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระองค์หมายถึงพระองค์เลยพระองค์ตักเลยว่า บุคคลผู้ที่มีเราจะถาคตเป็นกัลยาณมิตรหมายถึงว่าเป็นมิตรที่ดีย่อมทำให้การประพฤติพรมจรรย์นเนี่ยประสบผลสำเร็จได้แต่ในยุค ป, ปัจจุบันเมื่อพระพุทธเจ้าปารินิพพานไปแล้วเราก็เอาเป็นว่าคุณสมบัติคุณธรรมใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าก็แล้วกัน หรือมันตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ตรงเราอย่าไปเอาเลยพระพุทธเาสอนอย่างไงคนที่สอนแล้วตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้บังเกิดผลขึ้นในจิตในใจของเราก็เชื่อพอเชื่อถือได้ว่าเป็นกาลยามิตรของเรา พระุธเจ้าจึงให้ครบกับสัตบุรุษหรือให้ครบกับการยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่มีความรู้จริงเป็นสัตตบุรุษหรือถ้าถึงเราไม่สามารถที่จะหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพระเจ้าหรือตรงกับพระเจ้าได้เราสมัยนี้มีตำรับตำลาที่ เราสามารถศึกษาให้เข้า อ, อกเข้าใจแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติก็พอได้เหมือนกันทีนี้เมื่อมีมเมื่อมีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยท่านว่าให้สดับฟังธรรม菩萨ธรรม菩萨ธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมะที่เรานําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันค้นทุกได้คือทุกต้องน้อยลงไป ถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนถ้ามันทุกข์เพิ่มขึ้นปัญหาเพิ่มขึ้นเราต้องตรวจสอบทันทีเลยว่าไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตรงกับเป้าหมายดั้งเดิมที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วปัญหาในชีวิตของเราตรงลดลง ความทุกข์ภายในใจเราต้องลดลงต้องน้อยลงอย่างแน่นอนแต่ในเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมแต่ความทุกข์มากขึ้นปัญหามากขึ้นมีแต่เรื่องเราลุงลังเข้ามาสู่จิตใจเราเข้ามาเป็นเหมือนข้าศึกศัตรูภายในใจเราเหมือนกับว่าความทุกข์เพิ่มขึ้นนี่มันสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแสดงว่า ต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดถ้าหากว่าเราหวังพึ่งพระพุทธพรธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งจริงๆเราต้องตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขหรือหาช่องทางใหม่ที่ปฏิบัติแล้วมันต้องเป็นไปเพื่อทำให้ความทุกข์น้อยลงไปความสุขมากขึ้นจึงจะใช้ได้ส่วนนั้นที่สองศีล ส, สัมปทา เป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลอันนี้ก็สําคัญศีเนี่ถ้าหากว่าเราพูดเรื้องต้นก็คือสํารวมตัวเราเองนี่แหละไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนสัตว์อื่นเดือดร้อนเนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำไม่ถูกไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนสัตว์อื่นเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันจะมีผลตามมาทำให้เราเดือดร้อนได้หรือ เรารู้สึกขึ้นมาในใจเราว่าเออไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะเนี่ยทำแล้วดูสิปัญหาก็ตามมาเขามีความทุกข์เขาก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาเราเองก็ไม่สบายใจขึ้นมาหรือปฏิกิริยาของเขาออกมามีผลทาให้เราเนี่ยมีปัญหาต่างๆตามมามากมาย นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นผู้ถึงพร้อมโดยสินแต่ถลึกเข้าไปเนี่ยหมายถึงสินใจถ้าหากว่าเราสามารถมีสติสัมปชัญญะสอดซองดูแลใจเราได้เนี่ยอะไรมันก่อเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะรู้พอเรารู้แล้วเนี่ยเราจดจ่อเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะดับไป พอมันดับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมันมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราเห็นมันแล้วมันจะกระเทือนเข้ามาหาใจเราทําให้ใจเราไม่สบายใจเราว้าวุ่นเนี่ยมันเป็นศีลที่อยู่ในใจเราถ้าว่าใครสามารถเห็นตรงนี้ได้เห็นมันดับไปอันนี้เราศีลของของผู้นั้นนะเข้าไปถึงใจ ทีนี้ถ้าหากว่าใจเราเนี่ยมันยังไม่ถึงอะ่ะมันยังไม่เห็นใจอันนี้เราจะต้องสํารวมให้ดีทำความสงบไปก่อนถ้าหากว่าใจยังไม่สงบใจยังยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยใจมันยังไม่อยู่กับตัวคือธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนี้มันเร็วอะ่ะเดี๋ยวมันหลุดไปทางโน้นหลุดไปทางนี้ไหลไปทางนั้นไหลไปทางนี้ในเมื่อมันเร็วอะ่ะในเมื่อสติเรายังไม่ทันมันน่ะ คือสติของเราเนี่ยควบคุมจิตยังไม่ได้มันจึงไม่เห็นใจเคยมีคนถามเหมือนกันว่าจิตเนี่ยเป็นยังไงหรือใจเป็นยังไงทำไมไม่เคยเห็นใจเลยก็เลยก็รู้ทันทีเลยว่าคนนั้นนะ่ะสติของเขายังอ่อนปฏิบัติน้อยไปในเมื่อสติอ่อนควบคุมจิตไม่อยู่กับตัวเอง จิตมันก็ต้องไหลไปกับอารมณ์เพลินไปกับอารมณ์อารมณ์ต่างๆมันก็ฉุดมันก็ลากมันก็ดึงไปหมดมองลงไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เห็นแต่อารมณ์ที่มันกุ้มลุมจิตใจบางทีไม่เห็นเลยนะบางคนไม่เห็นเลยวิ่งตามอารมณ์ไปเลยวิ่งตามความคิดไปเลยปเป็นเราไปหมดในเมื่ออารมณ์ต่างๆมันเป็นเราแล้วมันไหลไปหมดแล้วมันมองไม่เห็น ว่ามันเป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วกลายเป็นเราไปหมดเลยนึกถึงคนที่เขากำลังโกรธดุลแรงเนี่ยในขณะนั้นความโกรธเป็นตัวเขามันก็จะคิดปูงไปแต่ในทางทําร้ายทําลา ย, ลายฝ่ายตรงกันข้ามเมื่อไหร่ทให้มันสะใจทําให้มันสมใจทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาทุกข์ทรมานทําให้สิ่งเหล่านั้นสลายไปหมดไปเนี่ยมันจะออกไปนอกตัวเองหมด แล้วจะให้เห็นใจมันเห็นไม่ได้หรือเรากำลังหลงรักใครอะไรอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะปรุงแต่งไปอยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากคุ้นเคยอยากเอาเข้าม า, อย า, อ, ยางงอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มันมีแต่ความอยากภายในจิตที่มันดึงดูดจิตเราให้มันไหลไปอะ่ะมันจึงไม่สามารถเห็นใจของตัวเองมันเป็นเราไปหมดแล้ว ทางของรุพุทธเจ้าเนี่ยต้องสำรวมใจต้องตั้งสติขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมีกาลยานนิรมันทาให้เราเกิดความเข้าใจเกิดความใจมองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองหรือเกิดความรู้ความเข้าใจมองว่าเออความทุกข์นี่มันจะดับไปได้ยังไงแล้วก็ต้องมีความถึงพร้อมด้วยศีล คือการกระทำของเราต้องมีความถูกต้องมีความเหมาะควรเพื่อที่จะไม่ให้จิตเราเนี่ยมันไหลออกไปทางนอกอันที่สฉันทะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยฉันทะคือความพอใจความพอใจในทัศนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพอใจที่จะทำเหตุนะ ส่วนใหญ่ปฏิบัติทรรมแล้วเนี่ยมันพอใจอยากได้ผลนะปฏิบัติทำหน่อยก็โอ๊ยอยากได้ความสงบปฏิบัติไปอีกหน่อยก็อยากได้ปัญญาทีแรกก็อยากได้ความสงบต่อมาก็สงบก็เป็นสมถะก็อยากให้มันเป็นวิปัสนาอยากได้ปัญญาก็อยากได้มรรคอยากได้ผลมันมีแต่ความอยากแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยากสอน ให้พอใจสร้างเหตุทําเหตุให้ถูกให้ตรงเหตุให้ถูกให้ตรงคือยังไงเขาย่อสอนให้มีสติสัมปชัญญะมีความสํารวมมีความระมัดระวงังเราก็ต้องมาสํารวมสติเราสัก่อนสํารวมสติเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเราก่อนเพื่อไม่ให้จิตของเราไหลไปไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ให้จิตเราเพลินไปกับเรื่องข้างนอกให้จิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของสติกก็คือให้รู้ตัวควบคุมจิตเราเอาไว้ยับยั้งจิตเราเอาไว้แต่ทีนี้จิตมันเร็วอะ่ะเดี๋ยวมันก็ไปไปก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยเราค่อยทำไปทำไปทำไปโดยไม่ต้องไปอยากหรอกสร้างเหตุทาเหตุ ถ้าเหตุเนี่ยมันบริบูรณ์สมบูรณ์เหตุเพียงพอใจของเรามันจะสงบเองเราจะสามารถยับยั้งใจของเราได้ใจที่เคยสัดสายก็จะอยู่กับตัวเราใจที่เคยโดดไปทางโน้นทางนี้ก็จะอยู่กับตัวเราใจที่เคยนึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆมากมายใจก็จะเริ่มสงบระงับเนี่ย มันก็จะหยุดปรุงแต่งเนี่ยมันจะต้องค่อยเป็นไปตามลำดับแต่ถ้าหาว่าเราอยากอยากได้ความสงบเอามีคนหนึ่งเหมือนกันนะเร็วๆนีวนี้ล่ะเขาไปอยู่ที่วัดเขากออ็ตั้งใจว่าจะมาลองดูมาปฏิบัติดูเนี่ยแต่นี้พอปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เขาก็ไม่สงบอะ่ะก็เลยบอกว่านี่นะ ถ้าหากว่าอยากสงบเนี่ยไอความอยากนั่นแหละมันจะบรบกวนจิตใจพอทำไม่ได้เนี่ยใจมันจะวุ่นวายใจมันจะฟุ้งซ่านมันจะหมดกำลังใจเขาบอกใช่เขาอยากมากคือพยายามที่จะกดขม่มพยายามที่ทำอย่างนั้นพยายามอี่ตรงนี้พยายามได้แต่ว่าระมัดระวังความอยากมันกลายเป็นปัญหาไป พระผู้เจ้าสอนให้มีฉันทะพอใจที่จะทำเหตุปฏิบัติไปเรื่อยๆทําสบายๆไม่ต้องไปอยาเนี่ยเออได้ผลแค่ไหนเราก็จะเอาเหมือนวันนี้แหละฟังทำไปด้วยทําใจให้สบายๆเอามันได้ยังไงเราก็จะเอาเนี่ยจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ก็แล้วกัน เนี่ได้แค่ไหนเราก็จะเอาแค่นั้นเนี่ยเราจะสังเกตใจเราไปด้วยเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าให้สร้างเหตุให้ทำเหตุทาเหตุให้ถูกต้องเหตุก็คือมีสติมีสติควบคุมจิตเราเอาไว้ให้จิตอยู่กับตัวเราก่อนเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นสมถะหรือมันจะเป็นยิปัสนา มันจะค่อยเป็นค่อยไปขออย่างเดียวว่าให้เราสร้างเหตุเอาไว้ความกลัวต่างๆเนี่ยก็วางไปอยากสงบก็ต้องไม่มีกลัวไม่สงบก็ต้องไม่มีไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นอยากได้ปัญญาก็ไม่ต้องอยากละไม่เอาไม่เอาผู้นี้ง่ายอ่ะสร้างเหตุอย่างเดียวสร้างเหตุมีสติไว้รู้ตัวเออรู้ตัวอยู่อ่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละผลเป็นยังไงก็ วางไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปอย่างนี้แหละเนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้ผลจะค่อยๆเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบังคับผลไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะอยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นีหลักปฏิบัติรมเนี่ยมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องวางใจให้ถูกต้องมันจริงจะตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า อันที่สี่อัตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อมัน่นนี่อันนี้สำคัญนะเราต้องเชื่อมัน่นว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัติทาได้ค่อยๆปฏิบัติค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันต้องเป็นได้แต่ถ้าหาว่าเราอยากเอาวันนี้วันพรุ่งนี้มันลือนนี้หรือวันนั่งสมาธิครั้งนี้แล้วอีกจะ ต, ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นความอยาก เป็นความหวังและสร้างความอยากขึ้นมาหวังถ้ามันไม่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังอย่างที่เราคาดไว้ทีนี้จะรุ่มร้อนแล้วจะซัดสายแล้วหรือมันจะเป็นอยู่แต่เรากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นในใจของเราพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์เนี่ยมีความเชื่อมั่นในพระองค์เองปราถนาเป็นพระพุทธเจ้ามา ตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้เลยสร้างบาลมีคนองเดียวเงียบๆเรื่อยมาจนกระทั่งต่อมาก็เริ่มบอกคนนั้นคนนี้ว่า น, นี่นะอาจจะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้านะา จ, จะรือถอนขนสัตว์เนี่ยให้พ้นจากทุกข์นะจนกระทั่งได้รับพยากรเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งจนกระทั่งตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องมีความมั่นใจสิในเมื่อศาสตราของเราพระองค์ปฏิบัติได้จนตัดสู้ได้เราเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็เดินตามทางของพระองค์ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์มันก็ไม่ไม่ผิดทางของพระองค์ขอให้แน่ใจว่าไม่ผิดทางของพระองค์ผลก็จะต้องเกิดขึ้น อย่างแน่นอนนี่ถ้าเรามั่นใจอย่างนี้เราเชื่อมั่นลงไปว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันประเดสดิฐสูงสุดแล้วเราไม่ลังเลสงสัยว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งหละที่กำลังปฏิบัติตามพระองค์อยู่มันต้องเป็นไปได้แนๆ่ๆเพราะพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เราก็เป็นมนุษย์เหมือนพระองค์ถึงบารมีอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างพระองค์แต่เราปรารถนาเป็นสาวกของพระองค์มันก็ต้องไม่เท่ากับพระองค์สิเราก็ศึกษาคําสอนของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ผลก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้ที่พูดนี้เราไม่ได้ไหมายว่าเราจะต้องเร่งรีบ ว่าจะต้องเอาวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าชาตินี้ใครอยากจเจ้าชาตินี้ก็ปฏิบัติไปด้วยความพอใจที่จะทําเหตุผลก็ให้เกิดขึ้นเองหรือว่าอย่างน้อยความทุกข์มันน้อยลงไปใจเราสบายขึ้นความสุขความสงบเกิดขึ้นแก่ใจเรามันถึงเมื่อไหร่เราก็เอาชาตินี้ชาติต่อไปหรือว่า เมื่อไหรก็ตามเนี่ยชีวิตของเรามันก็จะค่อยพัฒนาขึ้นแม้ชาตินี้เราก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเรามีทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางของจิตเราให้จิตเราดำเนินไปนี่เรียกว่าอัตตาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ประมาทตัวเอง ไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยหมดกําลังใจท้อถอยอ่อนแอบางทีก็ต้องมีบ้างสิเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านเข้ามาทําให้เราหมดกําลังใจเพราะว่ากําลังทำของเรายังไม่พอการปฏิบัติของเรายังไม่ถึงเราก็ต้องได้บทเรียนสอนใจเรานั่นคือใจเราเป็นทุกข์ไอไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นแค่บทเรียนพอเรารู้ทันเห็นมัน เข้าใจมันเดี๋ยวมันก็ดับไปพอดับไปเอ อ, เ อ, อความทุกข์นี่ก็ดับได้เหมือนกันนะเออดับแล้วเออใจเรา ส, สบายขึ้นนะใจเราดูสว่างขึ้นนะใจเราเบิกบานขึ้นนะบางทียังขอบคุณความทุกข์เลยโอ้ขอบคุณนะความทุกข์เนี่ยมันทําให้เราเห็นความจริงเอาบางทีคู่กรณีนะมันมีความไม่เข้าใจกันมันทําให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาพอเราเราส่องเข้ามา ดูจิตเรานะเห็นจิตเราอะ่ะแทนที่จะส่งไปข้างนอกนะแ ท, ท่จะไปโทษข้างนอกเราน้อมเข้ามาดูเข้าไปที่จิตเราพอถ้าหากว่าเราดูได้เดี๋ยวมันดับไปพอปัญหามันดับไปนะบางทีโอ้โหอยากจะขอบคุณเขานะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเอาธรรมะมาให้เราจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณมันก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเราได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตรงเข้าไปหาความจริงคือใจเราภายในความจริงภายในจิต ใ, ใ, ใจของเราเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เกิดขึ้นในใจเราเห็นแค่นี้บางทีมันก็สอนเราได้เยอะมากมายมันทำให้ใจเรานี่โอวางนะเพราะอะไรหนักๆเข้ามานะที่มันมีน้าหนักอะ่ะก็พอใจเรานั่นแหละ ไปยึดเนีใจของเราอ่ะไปเกาะไปเกี่ยวใจของเราเนี่ยมันวางไม่เป็นอะ่ะเพราะมันไม่เคยเห็นใ้ความเกิดความดับภายในจิตของเราเนี่ยแต่เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปหน่อยหนึ่งนะโอ้คราวนี้เราจะพบเหมือนกับว่าทางดําเนินไปของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจของเราเพราะนั้นเราต้องเชื่อมัน่นว่าเราต้องปฏิบัติได้เพราะ ปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าปฏิบัติตามทางดำเนินของพระพุทธเจ้าอันที่หทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงทิฏฐิในที่นี้เราหมายถึงทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหาว่าเบื้องต้นก็ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทาให้ใจเราสงบใจเราสบาย เป็นผลดีเกิดขึ้นกับใจเราแต่ถ้าหากว่าลึกซึ้งเข้าไปถึงใจเราเนี่ยมันต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายอะมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปอย่างน้อยต้องเชื่อเชื่อคำสอนของพระเจ้าอย่างตัวเราเองอย่างนี้เราต้องเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายสุดท้ายต้องแตกดับสลายไปมาถึงสถานที่นี้ ก็ทําให้เราอนุสอ์ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีสาวกของของพระองค์ของพระเจ้าไปถามภาษารีบุตรดูก่อนท่านสาลีบุตรถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอันเป็นไปปัิจุบนนี้านไปท่าน จะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือไม่หนอสงสัยก็เลยไปถามภาษาลีบุตรภาษารีบุตรมีเป็นอักษาวกเบื้องขวานี่ท่านบอกดูก่อนอาวุโสถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเรามีอันแตกดับไปข้าพเจ้าก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ก็จะสลดสังเวชใจขึ้นมา สรุสังเวทใจในที่นี้ไม่ได้หมายาว่าสรดแบบภาษาของเรานะหมายว่าได้คิดขึ้นมาหมายถึงเป็นสิ่งที่เตือนกระตุ้นเตือนจิตใจว่าโอหนอถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งของเวนัยสัตว์ทั้งหลายพระวรากายหรือธาตุขันธ์ของพระองค์ก็ไม่สามารถ ที่จะมั่นคงอยู่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนกันถ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลแต่บัดนี้พระองค์ได้สิ้นไปแล้วเราข้าข้าพระเจ้าก็จะคิดอย่างนีน้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องก่อนลิขิพาน ต้องทิ้งธาตุทิ้งขันไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นความเห็นที่ถูกพิจตรงอันหนึ่งก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสุดท้ายต้องแตกดับสลายไปเพื่อให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปยึดจนเกินไปไม่ไปเกาะไปเกี่ยวจนเกินไปให้รู้จักผ่อนรู้จักปล่อยรู้จักวางลงไปบ้างส่วนจิตใจเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ บรรลุมรรคผลยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่พ้นทุกข์ใจในี่ตายไม่เป็นใจจะต้องเวียน่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไปอีกเรื่อยๆไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเพราะฉะนั้นความเห็นความเห็นตรงในทีน่นี้ก็คือเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนท่านัญญาโกณทัญยะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้ว จิตใจได้เข้าถึงธรรมเห็นสภาวะธรรมก่อเกิดขึ้นในจิตจนท่านได้อุทานขึ้นมาในจิตของท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครเนี่ยน้อมเข้ามาดูใจเราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปภายในจิตใจอันนั้นเป็นสมาธิฏิที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงใจ เป็นสัมมาทิติตามแนวโลกุตระถ้าว่าจิตใจเข้าถึงมรรคผลหรือนิพพานแล้วเนี่ยเป็นสัมมาธิฏิเป็นโลกุตระสมาทิฏิทันทีอัปปมาทะสัมปทาอันที่หมีความไม่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นี้ก็คือ ต้องพยายามสํารวมจิตใจพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราหมายถึงตรงนี้ไม่ผัดวันประกันพูุ่ อ, อไม่ต้องไปรอบางทีเออวันนี้เอาไว้ก่อนเละครเรื่องนี้มันมาพอดีเลยเ อ, อ่ะเออย่าเพิ่งปฏิบัติเลยนะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวละครมันผ่านไปอ่ะเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่อง ก็เลยทิ้งการปฏิบัติไปแล้วก็ไปเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าการปฏิบัติหรือว่าบางทีอะทาอะไรอยู่ถ้าจะสํารวมจิตใจในขณะที่ทำการทำงานทำหน้าที่ต่างๆให้ได้สติไปด้วยกันก็ดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามสูงใช้ความอดทนสูงก็เลยปล่อยๆสบายๆดีกว่า มันอยากคิดอะไรก็คิดไปอยากปล่อยปละละเลยยังไงก็ปล่อยไปอย่างนี้เรียกว่ายังประมาทอยู่แทนที่เราจะพยายามสํารวมสติเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยชอวเป็นคนประมาทอยู่สุดท้ายโยนิโสมนสิการทำใจให้แยกคายให้ถึงหลักที่แท้จริง นั่นก็คือต้องมีสติเข้ามาสามารถที่จะควบคุมจิตใจเราได้เมื่อสติมีกำลังขึ้นมาสติขยายตัวขึ้นเป็นสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหรือบางทีเห็นมันเกิดดับรู้เท่าทันสภาวะธรรมต่างๆมากขึ้น กลายเป็นสติสปชัญญะที่มีกําลังมากขึ้นเข้ามาควบคุมจิตใจเราได้โดยอัตโนมัติเข้ามาสอดส่องดูแลจิตใจเราได้มากขึ้นเรื่อยๆนี่จึงจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการทำให่อย่างนั้นล่ะยังเข้าไม่ถึงมันยังห่างเหินธรรมะของพระพุทธเจ้า เอาวันนี้ให้เราสัมผัสดูใจเรานะรวบรวมกําลังของสตินะว่ า, าวันนี้เรามายัางสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นที่ เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างแท้จริงก็ให้เราได้สำรวจดูใจเราเราจะเอาเหตุการณ์ในวันนี้ในครั้งนี้เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้รู้ตามพระพุทธเจ้าบรรลุตามพระพุทธเจ้า ให้สมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้สมกับที่เราเดินทางมาให้สมกับที่เราหวังที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระธรรมเป็นสรณะมีพระสงฆ์เป็นสรณะก็คือการสำรวมจิตใจของเรานี่แหละถึงมันจะคิดไปบ้างอะไรไปบ้างท่านก็ไม่ให้กังวลใจ ไม่หวั่นไหวใจเพราะเราเป็นผู้สร้างเหตุทําเหตุให้ดีมีสติถ้ามันไปก็ตั้งใหม่ทําใจให้สบายเอาไว้ต่อมาใจเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นสติควบคุมจิตใจได้ดีขึ้นเนว้อใจเป็นสมาธิเบื้องแรกต้องให้มีสมาธิก่อนคือมีสติสัมปชัญญะรู้ใจเราเห็นใจเรามันต้องอาศัยใจที่สงบ ใจที่เป็นสมาธิต่อมาใจก็จะตั้งมั่นขึ้นเมื่อใจตั้งมั่นขึ้นแล้วใจมีสติสัมปชัญญะที่มีกำลังใจจะอยู่ในอํานาจของสติสัมปชัญญะของเราไม่ว่าเราทำอะไรสติเนี่ยจะควบคุมจิตเอาไว้ได้รักษาใจเอาไว้ได้ใจจะอยู่ในอานาจของเราเนี่ยมันต้องมันต้องผ่านความสงบมาก่อน ก็คือผ่านการมีสติก่อนแล้วใจสงบใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมันยังไม่ชัดแจ้งมันยังไม่ได้ผลเหมือนเราได้ยินได้ฟังมาอันนี้อย่าพึ่งไปรีบร้อนอย่าพึ่งไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์สอนให้สร้างเหตุส่วนผลเป็นยังไง ก็ค่อยเป็นค่อยไปทำใจให้สบายสบายไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมให้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มันมาเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่ว่ า, ากัลยาณมิตรว่าเรามีมิตรที่ดีหรือยังเราเราเรามีสัตบุรุษไหมพระองค์สอนให้เข้าใกล้สัตบุรุษเข้าหาสัตบุรุษ แล้วก็ฟังคําของสัตบุรุษฟังพระสัตธรรมคือธรรมที่จะทําให้พ้นทุกธรรมที่จะดับทุกข์ได้เราฟังแล้วก็ามาสํารวจ ด, ดูอีกว่าศีลของเราเป็นยังไงอะ่ะศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลแล้วหรือยังเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจของเรามีสิ่งที่จะมารบกวนจิตใจของเราด้วยการกระทําของเรา จนมันขึ้นมาถึงเป็นสินใจถ้าสินใจนี่หมายหัวใจเรามันคิดไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สบายใจแล้วใจเราแล้วใจของเราเนี่ยพอมันคิดนึกไปในทางเป็นอกุศลอย่างเนี้ยใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาแต่ทั้งกุศลและอกุศลนี่ยก็เกิดดับอีกไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะไปเป็นทุกข์กับสิ่ง น, นั้นนะถึงมันจะก่อเกิดขึ้นนะ อกุศลเกิดขึ้นก็ยอมรับ ว, ว่าเป็นอกุศลเราไม่ทําตามก็พอแล้วคือไม่ต้องไปคิดว่าเรานี่ไม่ดีเราทําไมยังคิดไม่ดีมีนะมีมีจริงๆนะั้นไปอยู่วัดแล้วก็โอ้ยอยู่ดีๆไอ้ความคิดไม่ดีก็เกิดขึ้นมาอันนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของสังขารมันก็เกิดขึ้นได้เราก็มีหลักว่ามันเกิดแล้วต้องดับมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เพราะนั้นเราก็วางไปให้มันเป็นให้มันเป็นธรรมะที่จะมาสอนใจเราเพอเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เ, ราเบาลงไปเลยเพลัะหันก็มีนะความคิดของท่านที่บางทีมันก็คิดไปเป็นความคิดที่เออมองอย่างวิภาควิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ท่านรู้ทันเท่านั้นเองเนี่ยหมายว่าท่านไม่ยึดความคิดไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีอ่ะท่านไม่ไปยึดมัน เราก็เหมือนกันเราต้องใช้หลักของของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ยึดหลักมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่ามันเกิดดับแต่ถ้ามันดีมีคุณมีประโยชน์เราค่อยทำตามถ้ามันไม่ดีไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ทำตามเนี่ยมันจะเป็นกุศลอกุศลก็ต้องเป็นแบบนี้เอามาทาเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราแล้วก็ฉันทะ มีความพอใจที่จะสร้างเหตุทำเหตุเพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อให้มีมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่มันก่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์ต้องสามารถตัดสรู้ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ สามารถบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้จะช้าหรือเร็วอีกเรื่องหนึง่งแล้วความเห็นก็เป็นความเห็นที่ถูกพี่ตรงเห็นตรงก็ตรงเข้ามาที่จิตนี่แหละเราเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราม่เชื่อปัญญาของพุทธเจ้าเลยตัสรุแล้วเชื่อมั่นเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเวรงวางว่างเข้าใจหมดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็พอภายในจิตใจนี่แหละ ที่มันมันวางความรู้สึกนึกคิดไม่ได้แค่ตาเห็นนะเอาวันนี้ลองนึกสิเราไปสนามบินนะโอ้ดูนั่นดูนี่เห็นอันนั้นอันนี้แม้แต่เห็นคนเนี่ยเราก็สนใจเรารู้จักไหมถ้ารู้จักก็อยากทักทายอยากพูดอยากคุยเนี่ยเนี่ยมันจะมีขึ้นมาในจิตใจของเราอ่ะเราก็ไหลไปกับไอ้อารมพวกนี้แหละ เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นอันนี้เนี่ยมันขึ้นมาในจิตหมดเลยนะมากมายถ้าหากว่าเราสามารถเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยโอ้โหมันเกิดแล้วก็ดับไปนะเนี่ยแล้วแล้วแล้วจิตเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นอิสระนะมันจะปล่อยวางนะพอมันวางได้จริงๆนะมันว่างเปล่าจริงๆในโลกเราเนี่ยมันหมดความหมายไปเลยชีวิตก็มีไปอย่างนี้แหละ เพราะอำนาจของกรรมมันก็เกิดขึ้นมาพอมันเข้าถึงความจริงแล้วมันวางทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็รอเวลาที่มันจะไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ทุกข์อีกต่อไปมันไม่ยึดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอกต่อไปมองโลกก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เว้งวาง่างเปล่ามันก็ทำให้สงสารสงสารสัตว์โลกโอ้นี่หนาะเพราะอานาจ ที่จิตใจมันไม่รู้อะไรอ่ะที่ปัญญามันยังเข้าไม่ถึงความจริงเนี่ยมันจริงเป็นทุกข์แล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากดีก็เป็นทุกข์กลัวไม่ดีก็เป็นทุกข์กลัวเสียหน้าก็เป็นทุกข์อยากได้หน้าก็เป็นทุกข์ยัยเขาว่าเราดีก็เป็นทุกข์เขาว่าเราไม่ดีก็เป็นทุกข์โอ้มันมีแต่อะไรอะไรที่มันจะเข้ามาให้เราเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยอ่ะอยากให้ลูกดีก็เป็นทุกข์ กลัวลูกไม่ดีก็เป็นทุกข์ลูกดีแล้วกลัวว่าความดีนั้นจะหายไปกลัวเขาจะไม่ดีอีกก็เป็นทุกข์ ม, มันทั้งหมดเลยนะทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะถ้าหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระคทธเจ้าเราก็จะต้องเป็นทุกอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยที่เราเนี่ยประมาท เออไม่สัมรวมกายวาจาจิตใจไม่หมู่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจตามกิเลสตามตัณหาตามอุปาทานไปทางนั้นไปทางนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเอ อ, อย่างนี้ก็แสดงว่าประมาทแล้วแต่ความไม่ประมาทนี่มีความสําคัญมากพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญความไม่ประมาทเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาท แล้วก็ต้องทําใจในใจให้แยกขายให้ใจมันมีหลักหมายความว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยต้องตรงเข้ามาควบคุมจิตลังดูแลจิตเรารักษาจิตลราถ้าสติสัมปชัญญะของเรายังอ่อนอยู่เราก็รู้แล้วพระเจ้าสอนให้สร้างเหตุก็พยายามสร้างเหตุให้มีสติขึ้นมาค่อยๆมีสติขึ้นมาอีลานิดอีลานิดอีลานิด สติขึ้นมาสตินี่แหละมันจะไปควบคุมกํากับจิตเอาไว้ให้จิตอยู่กับตัวเราเมื่อจิตอยู่กับตัวเราแล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเวลาใดสติเราก็มีกําลังเพิ่มขึ้นพอสติมีกําลังเพิ่มขึ้นสติขยายตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวได้มากขึ้นเป็นสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะควบคุมใจของเราให้อยู่กับตัวเราได้มากขึ้น จิตอยู่กับตัวเราได้มากขึ้นจิตมั่นคงจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตก็เห็นอาการที่จิตนั่นแหละสร้างทุกข์ขึ้นมาให้กับเราเองเนี่ยจิตนั้นมันสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอะไอจิตที่มันหลงอะมันไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาไล้ไปกับเรื่องราวที่มัน ปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามาเพลินไปกับไอ้เรื่องราวต่างๆทุกแล้วทุกเหล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจ่อเข้ามาเอานี่มันความทุกข์นี่มันเกิดที่จิตเรานี่นะจิตเรานี่มันสร้างขึ้นมาต่างหากมันไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําให้เราเป็นทุกข์นี่เราเรียกว่ามีโยนิโสมาสิการแล้วเราก็จะพบทานว่าอ๋อ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องตรัสรู้อย่างนี้แน่นอนคือต้องมาเห็นว่ารูปนามเนี่ยเกิดดับไปไอสิ่งที่มันก่อเกิดเป็นขันห้าขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรกับเราเลยนะมันเป็นธรรมชาติเลยนะรูปนามเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอันเนี้ยมันทําหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเป็นหลงยึดว่าขันห้าเป็นตัวเราขึ้นมาร่างกายก็เป็นตัวเราเป็นของเรา เวทนาก็เป็นตัวเราเป็นของเราสัญญาก็เป็นตัวเราเป็นของเราสังขารเป็นตัวเราเป็นของเราวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเรานี่แหละที่มาแห่งทุกข์เพราะใจของเราที่มันไม่รู้ความจริงมันไปหลงยึดสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติรูปนามกายใจนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยมีทุกข์ถ้าหากว่าเรามีสติรัมปัจฉิยะ เจเข้ามาสังเกตดูใจเราเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปขันห้าทั้งหลายมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองพอเราไม่หนีอุปท า, านไปยึดขันห่าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทุกจะดับที่นี่คือดับลงที่ใจของเราใจของเราที่รู้ความจริงความจริงประจักษ์ใจเมื่อไหร่ นี่แหละความทุกข์มันจะดับตรงนี้ทุกที่เกิดจากความหลงผิดของเราที่ไปยึดนุ่นยึดนี่แล้วมาสร้างความทุกข์ในใจเราจะไม่มีสิ่งต่างๆมันก็กลายเป็นสภาวะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเหตุแห่งทุกข์ก็คือใจเราที่เป็นหลงไปยึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่แล้วอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ดับไปด้วย พร้อมกันกิเลส ก, ก็ถูกตัดขาดไปประหารไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นการที่เราเห็นทุกข์ขึ้นในใจเราเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนั่นแหละกิเลส ก, ก็ค่อยๆลดลงเบาลงความหลงผิดว่ามีตัวเราเป็นของมีของเราเป็นตัวเราเป็นของเราจะลดลงไปด้วยนี่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้อยยริยสัจสี่คือ รู้ว่าที่มันเป็นทุกข์ได้ก็เพราะว่าใจของเราไปหลงยึดเพราะใจของเราไปลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้ความจริงเมื่อไหร่ถอดถอนอุปท า, านจากใจเราได้ความทุกข์ก็จะดับไปเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาอย่างสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้สัจธรรมอันเป็นความจริง อันประสริฐเราก็ได้สํารวมจิตใจของเราแล้วก็ได้ฟังพระสธรรมคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ตัดสอนสาวกของพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนมอยู่เมื่อเราฟังแล้วให้เราน้อมเอาธรรมะเหล่านั้นเข้ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เราก็ให้สํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะอันที่จริง การที่เราพวกเรามาในวันนี้ก็ได้พบกันสนทนากันว่าเออการมายัางสถานที่แห่งนี้เราน่าจะได้ม า, าประพฤติธปฏิบัติธรรมกันนะอ า, อาศัยอนุภาพของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรืออนุสรนยามใดที่เราอนุสรนด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ย อย่างสถานที่ที่เป็นบินแดนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราน่าจะมีกําลังใจน่าจะได้พลังที่เกิดจากอนุภาพของพระพุทธธรรมพระสงค์เนี่ยเต็มกําลังเราน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยได้คุกคบกันปลลุกกันแล้วก็ทําให้พากันเนี่ยรวบรวมกําลังใจรวบรวมกําลังสติปัญญาปรึกษาหาเรืองกัน แล้วเราจรึงได้มาในครั้งนี้เนี่ยที่เรามาทําอย่างนี้ก็สมกับเป้าหมายที่เราวางกันเอาไว้แล้วก็เป็นเป้าหมายที่มีเหตุผลถ้าเทียบกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วให้เราพึ่งธรรมะของมูะพุทเจ้าไ e อ้พิธีลีตองเราก็มีเพียงให้เกิดความว่าเออเราได้แสดงความเคารพอ่า เท่าที่เราจะทําได้แต่เราจะไม่ลุ่มหลงว่าเอันนั้นนะ่ะเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระให้เราเนี่ยตรงเข้ามาหาแก่นสารสาระคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงเข้ามาให้มันตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรตวธรรมรู้ความจริงภายในพระไทยของพระองค์การที่พระองค์จะสอนให้ไปยึดไปติดไปข้องในเรื่องอื่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น เรื่องพิธีดีตองถ้าเราลดได้ลดก็แล้วกันแสดงความเคารพด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้ยีดีกว่าอันไหนที่มันไม่มีความจําเป็นในเมื่อเรามีสติปัญญาแล้วเราไม่ทำก็ได้ให้เราเคารพด้วยใจของเรานี่ใจของเราที่มีปณิธานแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เดินตามทางของพระองค์อันนี้แหละมันมันจึงจะเป็นแก่นสารสาระที่แท้จริงมันจึงจะตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากให้ทุกคนไม่มีทุกข์ในจิตใจในสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่พระองค์ไม่สอนในพื่งวัตถุใดๆเลยนะไม่มีเลยนอกจากพระธรรมสาวกของพระองค์ที่เข้ามาหาพระองค์ก็ตามต้องมุ่งปฏิบัติธรรมชาระใจของตัวเอง กดเปื้อนความหลงผิดให้หมดไปจากใจเพราะนั้นเราก็ต้องให้มัน mm. ให้มันเข้าใจให้ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเอาให้เราแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยสํารวมกายนะสํารวมจิตใจของเราให้เต็มที่นะจะไม่พูดแล้วจะหยุดนยให้เราได้แสดงความเคารพเอากายเอาใจเราเนี่ยปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสสุดท้าย